บทที่16หลังอาหารเช้าพระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญไปนมัสการพระเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อ 2,573 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพุทธศักราช25ปีเมื่อบวกกับ 2,528 จึงเท่ากับ 2,573 แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเกือบ 3,000 ปีแต่พระศาสนาของพระองค์ก็ยังคงส่องแสงสว่างสวยัยให้กับชาวโลกผู้มีปัญญาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 2,400 กว่าปี จึงจะหมดอายุศาสนาของพระสมณโคดมจากนั้นโลกก็จะว่างจากศาสนาไปอีกนานจนกว่าพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันในนามพระศรีอานจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทร ก, กักพระเมตยคือพระศรีอานจะมาอุบัติเมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุ8 0ดห0ื่นปี น้าเมืองเกตุต ม, มดีปัจจุบันเป็นเมืองพาราณสีและเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วศาสนาของพระองค์จะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก1 8 0 0 0 0 0ปีซึ่งเมื่อนับจำนวนปีจะมากกว่าอายุพระศาสนาของพระสมณโคดมถึง 1,75,000 ปีแต่เมื่อนับอายุของศาสนาคิดตามอายุเฉลี่ยของมนุษย์ ศาสนาของพระสมณะโคดมจะมีอายุถึง50ชั่วคนขณะที่ศาสนาของพระเมตยะมีอายุเพียง 2.5 ชั่วคนเท่านั้นคือไม่ถึงสามชั่วคนในจักรวัติสูตรทีฆานิกายปาติกวกักพระไตรปิฎกเล่มที่11อได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้า แห่งพัทระกับไว้ว่าพระองค์จะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์และครองคราวาดอยู่ 8,000 ันปีมีประสาทสีห้องภริยาชื่อจันทมุขีบุตรชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรมมามาดาชื่อพรหมวตีเห็นนิมิตสีประการขณะเดินทางไปชมสวน ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นจะประกาศพระาศาสนาที่เมืองนาคขวันพระเจ้าสังขะซึ่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแห่งเมืองเกตุ ม, มตัตีจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกและพระพรมเทวะ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 อยากกินอาหารความไม่อยากกินอาหารอยากแต่จะนอนและความแก่ชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีความนิคโคมรัชธานีแบบไก่บินถึงแกตุมัตีจะเป็นรัชธานีอันมั่งคัง่งมีคนมากหาอาหารง่ายพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสังขะ เป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสีทิศปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วส่วนเรื่องราวของพระสมณโคโดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่แห่งพัทรกับ และเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีกล่าวไว้ในคำพีพุทธวงศ์แห่งคุตกานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ส3สาว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระนามว่าโคโดมอุบัตในสกยสกุลแห่งนครกบิลพัทพระบิดาคือพระเจ้าสุดโททนะพระมารดาคือ พระนางมหามายาเทวีทรงครองคารวาสอยู่29ปีมีปราสาทสามหลังไมเหสีพระนามวายโสธราโอรสพระนามวาราหุนทอดพระเนตรเห็นนิมิตสีประการและเสด็จออกพนวดด้วยมา้าเป็นราชยานบำเพ็ญทุกะระกิริยาอยู่หปีประกาศพระธรรมจักที่ป่าอิสิปตนะมรุกขทยวัน แขวงเมืองพาราณสีพระอครสาวกทั้งสองคือพระอุปติสาคือภาษารีบุตรและพระโกลิตาพระโมคคลานะพุทธาอุปถากชื่อว่าพระอนนท์พระอครสาวิกาทั้งสองคือพระเขมาและพระอุบลวรนนาทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ควงไม้อสัตถพฤกษ มีสาวกสันนิบาตครั้งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุผู้เข้าร่วมประชุม 1,250 องค์คำสั่งสอนของพระองค์ผู้เป็นสักยะโมนีคือนักบวชแห่งตระกูลศักย ะ, จะเจริญแพร่หลายกว้างขวางออกงอกงามเป็นอย่างดีบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมาก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 ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทจะได้เร่งขนขวายประกอบอุสลกรรมสังเวชนียสถานสี่แห่งสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพื่อเพิ่มพูลความเลื่อมใสประทามศักระบูชาอันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สังเวชนียสถานสี่แห่ง มีกล่าวไว้ในมหาปริิญพานสูตรที่คณิกายมหาวรคพระไตรปิฎกเล่มที่สิบซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอา น, นุ์สถานที่อันเป็นเหตุให้เระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูดแล้วคืออุทยาลุมพิณีวันสถานที่เราเรียกตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุความรู้อันประเสริฐทมกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิปตนาลึกขัยวันแขวงเมืองพาราณสีและสถานที่ที่เราจะปริณพานณบัตรนี้คือสาวลโนทยานเมืองกุสินารา ดูก่อนอาโนนสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยพระบาทแห่งเรารถบัสนำคณะผู้สแสวงบุญจากวัดไทยพุทธคยามายัางลานจอดรถหน้าพระเจดีซึ่งเป็นลานกว้างมีสินค้าเมืองพารตะวางขายอยู่ดารดาษ ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกก่อนลงจากรถพระมากุเทศย้ำเตือนว่าขอให้เดินกันเป็นกลุ่มแล้วก็อย่าให้เงินขอทานเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะจะถูกพวกเขารุมล้อมจนหายใจไม่ออกเอาละ่ะลงจากรถได้ทันทีที่รถจอดบรรดาขอทานทั้งเด็กผู้ใหญ่ชาย และหญิงก็วิ่งกรูกันมาที่รถส่งเสียงร้องขอเงินดังอึงคันนึงบรนประชิตและเขาฤ ห, หัสจำต้องทําใจแข็งด้วยเกรงจะต้องเดือดร้อนการเดินเข้าไปยังลานพระเจดีย์จึงมีอุปสรรคเพราะลูกหลานชูชกพากันเดินแซงหน้าแซงหลังทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้พวกเขาส่งเสียงร้องขอพรางตามพราง พวกที่ง่อยเปรีย้ยเสียขาเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีเอาก้นถัดไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขาดรุ่งริ่งดูไม่น่าจะ ก, กันความหนาวเหน็บของอากาศแห่งเหมันตรดูได้เลยแม้จะรู้สึกสมเพศเวทนาสักเพียงใดก็ไม่มีใครใจอ่อนยอมให้เงินแก่พวกเขาเพราะกลัวจะเดือดร้อนสตรีสาวชาวตะวันตกเดินมาคนเดียว เห็นขอทานรุมล้อมจึงควักเงินให้เท่านั้นเองขอทานจำนวนนับร้อยไม่รู้มาจากที่ไหนก็พากันล้อมวงยื้อแย่งเงินในมือล่อนตกใจถึงกับร้องไห้พวกเจ้าหน้าที่ห้าหกคนก็รีบวิ่งมาตะเพิดพวกขอทานออกไปหญิงสาวยืนตัวสั่นระริกด้วยความตกใจเช็ดน้ำตาแล้วกราวขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยเห็นเช่นนั้นต่างก็เตือนตัวเองว่าจะไม่ทำเหมือนที่สาวชาวตะวันตกทำเป็นอันขาดเด็กชายอายุประมาณห้าขวบสวมกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งอุ้มน้องสาวอายุราวขวบเศษเข้ามาสกิดท่านพระครูพร้อมกับพูดว่าพันเตเปซาทำมือหอ่ออไปจ่อไว้ที่ปากเป็นในว่า ของเงินไปซื้อข้าวกินท่านมองดูสองพี่น้องด้วยความสงสารทั้งสองตัวดำเป็นเนียงผมเผ้ากระเสืร์กระเซิงเหมือนไม่เคยได้กรับการสะและหวีมาตั้งแต่เกิดน้องสาวพยายามเลืมตาดูท่านหากก็ลืมไม่ขึ้นเพราะคิตาสีเหลืองแห้งเกรอะกรังปิดทับแผงขนตาง อ, งอนยาวไว้แน่น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 เหมือนสาวผมทองคนนั้นเพราะเหตุนี้มือที่กำลังจะหยิบเงินจากย่ามก็เลยต้องชะงักท่านปลอบใจตนเองว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้หนูเอ้ยหลวงตาอยากช่วยเองแต่เองก็จะทำให้หลวงตาเดือดร้อนจึงขอไม่ช่วยคงไม่ว่ากันนะ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 ทั้งที่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์แต่ถึงจะไม่ทำทานหากพวกเขาก็มีศีลห้าจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแม้จะเป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นตามกรรมที่ทามาก็ตามคณะผู้แสวงบุญตามพระมกุเตศเข้าไปนมัสการหลวงพอ่อเมตตา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 จึงเต็มไปด้วยเครื่องบูชาสักการะต่างๆมีทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และผลไม้นานาช น, นิดที่ผู้ศรัทธาเลื่อมใสนำมาถวายลามะและภิกษุณีที่เบตต่างนั่งสาทยายมันตราเสียงเงิง่งงามด้านนอกพระเจดีคนที่เบสที่เป็นเขาฤหัีก็พากันกราบพระเจดีด้วยอัสดางคประดิ์คือการกราบ ให้อวัยวะทั้งแปดได้แก่เข่าทั้งสองมือทั้งสองเท้าทั้งสองลำตัวและศรีรษะจรดกับพื้นพิธีกราบคือยืนตรงประนมมือไหว้เหนือศรีรษะแล้วก้มลงคุกเข่ามือเท้าที่พื้นแล้วไถไปข้างหน้าจนกลายเป็นนอนคว่ำ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 ทนต่อความหนาวเย็นของอากาศได้ด้วยการกราบอัสดางคับปดิดซึ่งแปลว่าการกราบด้วยองคแ8 ด, ดังกล่าวมานี้ชาวที่เบตเคยมีประเทศของตนเองซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าหลังคาโลกในแผนที่โลกจะเขียนไว้ว่าที่เบตและมีคำว่า roof of the world เพราะเป็นพื้นที่ส่วนสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกแต่ต่อมาถูกจีนยึดครองประเทศทิเบตจึงหายไปจากแผนที่โลกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวทิเบตที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนได้พากันอพยพมาอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียบ้างก็อพยพไปอยู่ในประเทศตะวันตกแถบยุโรปอเมริกาโดยแต่งงานกับคนชาตินั้น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 ที่เคารพเลื่อมใสในพระองค์แม้ชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและชาวตะวันตกที่หลั่งไหลกันมาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิจานวนหลายล้านคนในแต่ละปีต่างก็เคารพเลื่อมใสในองค์ดาลลยลามะและพากันเอาใจช่วยให้พระองค์ทรงนำพาประเทศให้พ้นจากการยึดครองของจีนโดยเร็วพลัน นมัส ก, การหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีแล้วคณะผู้สแสวงบุญก็ตามพระเจริญออกมายัางด้านหลังพระเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อนมัส ก, การต้นพระศรีมหาโพธิ์และประแทนวัชระอาจพระมกุเทศเริ่มบรรยายพุทธประวัติตามที่ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาความว่านาบบัดนี้ เราจะได้มาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นไม้ชื่ออสัทถะก่อนแต่ตรัสรู้เราเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล้องอยู่ในความรู้หมายความว่าไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งอื่นคล้องอยู่แต่ในความรู้คําว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่อง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 ทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้ซึ่งเรียกว่าพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ชื่ออสัต t ะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพเพราะพระพุทธเจ้าไปนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกต้นไม้ตรัสรู้หรือ โพลึกก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทรงสแสวงหาครูอาจารย์ต่างๆเพื่อจะสอนวิชาพ้นทุกข์ก่อนหน้านี้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักของอาลาลดาบทกลมโคตรจนสำเร็จอรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะมีความรู้เทียบเท่าอาลาลดาบทผู้เป็นอาจารย์ ต่อมาได้ไปศึกษาในสำนักของอุทกาดาบทรามบุตรสำเร็จอรูปฌานที่4ชื่อในวสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นความรู้สูงสุดในสมัยนั้นอุทกาดาบทยกย่องพระองค์ไว้ในฐานะอาจารย์แต่พระองค์ทรงดำริว่า ทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติเท่านั้นดังนี้พระองค์จึงลาท่านอุตกาดาบทเพื่อสแสวงหาทางตรัสรู้ต่อไปครั้งนั้น อุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่พระองค์ว่าสมณพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งซึ่งมีกายมิได้หลีกออกจากกามและมีความยินดีพอใจในกามยังละให้สงบระงับมิได้สมณพราหม์เหล่านั้นแม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า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 นี่เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งสมณพรามเหล่าได้เล่าหนึ่งแม้มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความยินดีและพอใจในกามยังละให้สงบระ ง, งับไม่ได้สมณะพรามเหล่านั้นแม้ได้สวยทุกเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีไม่ควรตรัสรู้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 แม้กายจะหลีกแล้วก็ไม่อาจตรัสรู้ได้กรามจึงเป็นอุปสรรคอันใหญ่ของฌานการบรรลุธรรมพวกฤาษีชีพไรที่บำเพ็ญตบะเมื่อจิตอยู่ในฌานกรามก็สงบระงับไปได้แต่เมื่อออกจากฌานจิตก็ฟุ้งซ่านเกิดความยินดีพอใจในกรมอีกจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราว และถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกคือความหลุดพ้นขั้นโลกิยะเป็นกุปปวิโมกคือความหลุดพ้นที่กําเริบเพราะเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้ดังพระพุทธวจนะว่ากุปปวิโมกเป็นชนัชาญสี และอรุประชานสีนี้เป็นกุปปวิโมกและเป็นวิขมพนาวิมุตคือความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ซึ่งกิเลสระ ง, งับไปได้เพราะถูกกำลังสมาธิข่มไวเม้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้าไว้ยกแผ่นหินออกเมื่อใดเมื่อนั้นหญ้าก็งอกขึ้นใหม่ได้สรุปความตอนนี้ก็คือ ลำพังสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เข้าถึงความหลุดพ้นหรือตรัสรู้ได้ต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญาเพราะองค์ธรรมหรือตัวการสําคัญที่สุดที่จะเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่ใช้ปฏิบัติการได้ในขั้นนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ จึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสนาใครอยากรู้เรื่องวิปัสนาก็ให้เรียนถามพระครูทิตตธรรมโมเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิปัสนากรรมฐานส่วนพระเจริญทิตตธรรมโมเป็นพระมกุเทศเชี่ยวชาญเฉพาะด้านปริยัติด้านปฏิบัติไม่ค่อยได้สันทัดสักเท่าไหร่ทําไมมายน์กลองกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะท่าน สมภารวัดป่ามะม่วงตัดเพาะไกลๆกพระมกุเทศพูดแต่ผู้เดียวมานานท่านเพิ่งจะได้มีโอกาสพูดจึงไม่อยากจะละโอกาสนั้นผมไม่ได้โยนนะครับหลวงพ่อแต่ผมประเคนให้ด้วยความเคารพพระมกุเทศใช้โวหารแต่ผมรับคนเดียวไม่ไว้เรื่องอย่างนี้จะต้องช่วยกัน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 ท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบเสียงหนักแน่นโยมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนครับญาติโยมพูดขึ้นพร้อมกันเพราะเพิ่งจะได้โอกาสพูด